เข้าที่กลาวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างแสดงให้เห็นแนววิธีพิจารณาที่จัดอยู่ในพวกโยนิโสมนสิการแบบเปรักุศลเป็นตัวอย่างวิธีพิจารณาที่ใช้ได้ทั่วๆวไปบ้างใช้ได้กับกุศลธรรมเฉพาะอย่างบ้างข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเข้าใจหลักการและแนววิธีทั่วๆวไปดีแล้วผู้ฉลาดในอุบายอาจนคิดค้นปรุงแต่งรายละเอียดแบบต่างๆของวิธีคิดแบบนี้ได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการสร้างเสริมกุศลหรือคุณธรรมเฉพาะแต่ละอย่างและสอดคล้องทันกับกระบวนความคิดของมนุษย์ในการสมัยนั้นๆอันจะทำให้ใช้ปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นกล่าวได้ว่าวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนี้เป็นวิธีที่เปิดกว้างที่สุดสำหรับการขยายดัดแปลงและสรรหาวิธีการปลีกยย่อยต่างๆมาใช้ได้อย่างมากมายกว้างขวาง สุดแต่จะให้ได้ผลดีแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลที่แตกต่างกันและเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแปลกกันไปตามถินฐานการสมัยนอกจากหลักการทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้วควรกล่าวย้ำถึงองค์ประกอบสำคัญที่คอยพยุงความคิดให้อยู่ในโยนิโสมนัสิการอันได้แก่สติสติช่วยยั้งหยุดความคิด ที่หลงลอยไปเป็นอะโยนิสโสมนาสิการและช่วยเหนี่ยวรัง้งหรือดึงให้กลับมาตั้งต้นอยู่ในแนวทางของโยนิสโสมนาสิการได้ใหม่จึงเป็นองค์ธรรมที่ผู้มีโยนิสโสมนาสิการจะต้องใช้อยู่เรื่อยไปอันหนึ่งโยนิสโสมนาสิการแบบต่างๆซึ่งสรุปได้เป็นสองคือโยนิสโสมนสิการเพื่อความรู้ตามสภาวะและโยนิสโสมนสิการ เพื่อเสริมสร้างกุศลธรรมนั้นมีจุดแยกอยู่ที่ขณะตั้งต้นความคิดและสติอาจมีบทบาทสำคัญในการเลือกทางแยกที่จุดตั้งต้นระหว่างโยนิโสมนสิการแบบต่างๆนี้เช่นเดียวกับที่สติสามารถเลือกระหว่างโยนิโสมนสิการกับอะโยนิโสมนสิการดังเช่นว่าเมื่อรับรู้อารมณ์แล้ว มีสติกำหนดมุ่งเพื่อจะรู้ตามความเป็นจริงก็เข้าแนวโยนิสโสมนสิการเพื่อความรู้ตามสภาวะแต่ถ้าสติกำหนดกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่หมายหรือระลึกถึงภาพความคิดที่ดีงามบางอย่างไว้ในใจก็เดินเข้าสู่โยนิสโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างกุศลธรรมโยนิสโสมนสิการเพื่อรู้ตามสภาวะนั้น ขึ้นต่อความจริงที่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาจึงมีลักษณะแน่นอนเป็นอย่างเดียวส่วนโยนิสโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างกุศลธรรมยังเป็นเรื่องของการปรุงแต่งในใจตามวิสัยของสังขารจึงมีลักษณะแผกผันไปได้หลากหลาย